อจเจริญพรท่านผู้อนวยการสถาบันสุลกากรตลอดจนสาธุชนผู้สนใจในความดีงามของชีวิตการบัญญาณ น, นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ชื่อว่าสุลกากรสายสะอาดคำว่าสะอาดเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันจะโยงกับอีกสองสอ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 และความสว่างอยู่เสมออันนี้เนี่ยเราเอาหลักการนี้เนี่ยมาใช้กับการเลี้ยงดูลูกหลานของเราก็ได้นะเราทุกคนก็อยากจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีมีความสะอาดนะทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจเนี่ยแต่ความสะอาดโดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้หลอยๆเว้นเสียแต่ว่ามีความสงบ และความสว่างน ะ, ะเป็นตัวรองรับนะถ้าถ้าเปรียบนะฮะถ้าเปรียบอย่างโดยใช้อุปมาอุปไมยอย่างโบราณเนี่ยนะถ้าความสะอาดเนี่ยเปรียบเสมือนกับปรบเกวียนนะเกวียนก็จะลากไปได้ด้วย วัวสองตัวนะัวตัวแรกก็คือ ส, ส ง, งบบัวที่สองคือ ส, สว่างนั่นเองนะชีวิตของเราก็ก็ดำเนินไปได้ด้วยด้วยสามสอนี้นะและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสุขนะเป็นสอที่สี่นะความสะอาดก็ดี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 หรือว่าศีลธรรมนะในชีวิตไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราเรากลัวเรื่องบาปบุญคุณโทษเท่านั้นนะแต่ว่าคุณค่าของจริยธรรมอยู่ตรงที่ว่าทำให้ชีวของเราเนะี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงนะทำไมนะเราถึงต้องสนใจเรื่องจริยธรรมกันทำไมเราถึงต้องสนใจเรื่องอความใสสะอาดนะ เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันเป็นวิถีที่จะนำไปสู่ความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืนนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีสุขใดเสมอเท่าความสงบนะความสนุกก็ไม่ใช่ความสุขอย่างแท้จริงนะคนที่สนุกนะ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 คาถาบริวารจะมาคอยขับดิสีตีเป่าหรือคอยมาบำรุงบังเร่บำเล่ใดใดทั้งสิน้นแต่พระเจ้าตรัสว่าพระองนี้มีความสุขมากกว่าพระเจ้าวิสณ์ก็ถามว่าพิสูจน์สิพระเจ้าท่านพิสูจน์ได้ไง่ายมากก็คือว่าระหว่างเรากับท่านเนี่ยหมยือนระหว่างพระองค์กับพระเจ้าวิสารเนี่ยถ้าหากจะให้นั่ง อยู่กับที่เป็นชั่วโมงเป็นวันใครที่นั่งได้ น, นานกว่ากันไม่ได้นั่งแค่เป็นวันอาจจะสองวันสามวันนะใครที่นั่งได้ น, นานกว่ากันผู้เจ้าบอกว่าในพระอคนี้สามารถที่จะอยู่ได้นั่งได้โดยไม่โดยไม่โดยไ ม, โยไ ม, โยไม่โดยไม่ไหวติงเลยเนี่ยได้เป็นวัน อันนี้แหละคือสิ่งที่พิสูจนว่าพระองค์เนี่ยมีความสุขมากกว่าเพราะว่าพระองค์นั้นเนี่ยไม่กระสับกระส่ายทั้งกายและใจนะแต่ลองนึกเสือกคนที่เอาเด็กเนี่ยเอาเด็กที่เพลินกับความสนุกสนานหรือผู้ใหญ่ก็ได้นะถ้ามันนั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยอยู่ได้ไหม เริ่มกระสับกระสายแล้วเพราะว่าชีวิตนี่มันไม่มีรถไม่มีชาติที่จริงไม่ต้องไม่ต้องเป็นนั่งอยู่เฉยๆหรอกไปอยู่ในปา่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีโทรทัศน์ไม่มีเพลงไม่มีเครื่องเล่นเอ็มพีสามเรื่องสิน้นนะตรงเนี้ยการที่เราจะดูว่าใครเนี่ยมีความสุขมากกว่ากันในนามในทางศาสนาเนี่ยก็ดูตรงนี้ว่าเขา สามารถที่จะอยู่อย่างสงบได้หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งเร้านะเพราะว่าความความสุขนั้นลักษณะหนึ่งของความสุขคือการที่ไม่กระสับกระส่ายนะแล้วก็ไม่ดิ้นรนแส่สายเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นซึ่งเป็นประเด็นซึ่งมีมีความสัมคัญมากว่าทําไมนะทาไม การเข้าถึงความสุขในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันถึงไม่อิ่งมันถึงไม่ต้องไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งเสพนะคราวนี้ตมาก็จะขยายความนะให้ให้ละเอียดลงไปนะว่าวิธีแห่งความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยนะมันมีกี่ส่วนกี่ด้าน คนเราเนี่ยนะความสูงคนเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับสามสิ่งหนึง่งความสัมพันธ์กับวัตถุอันนี้รวมถึงเงินด้วยนะวัตถุสิ่งเสพรวมไปถึงเทคโนโลยีด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเรียกลวเรากาความสัมพันธ์กับวัตถุอันที่สองคือความสัมพันธ์กับผู้อื่นอันที่สามคือความสัมพันธ์กับตัวเอง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 ดิ้นรนด้วยวิธีที่ถูกต้องชอบทำก็มีเช่นทำมาหากินหรือว่าดิ้นรนด้วยวิธีที่อาจจะไม่อาจจะอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็อาจจะยังไม่ไม่ไม่ไม่ตรงประเด็นนักเช่นแทนที่จะแทนที่จะทำแทนที่จะทำมาหากินก็เอาแต่แทงหวยนะอันนี้เนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายอันนี้มันถึงนบนดินนะ แต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการที่จะตรงไปสู่เป้าหมายได้หรือหนักกานั่นนะคือใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องใช้วิธีการที่เช่นการปล้นจี้การโกงการคอร์รัปชันในกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรา